บุกทูเก้าสิเก้านาวเ็กคำแสดงความเป็นเจ้าของเจนิทิโแมวของแฟนดีฉันล a คัตโตเดมิ a าอามิคินสุนัขของแฟนดีฉัน ของเล่นของลูกดิฉัน ילוidemiai geffiloi นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน t i o Estas La Laboro De m i a i k o l e g o y กระดุมของเสื้อหายไป La b u t o n o Dela Chemizo Mankas กุญแจโรงรถหายไป La s c h l o s s i l o de La g a r a g g Forestas คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรบ้านอยู่ตรงสุดถนน La el la situas afino Stratto. Domo de เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรหนังสือชื่ออะไรลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรล a s la g e f i l o น de la n a ่อ a r o ร โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงเวลาทำาการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร properly